เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังนี้หลวงพ่ออยากจะสอนบอกกล่าวรุ่นนี้เพราะว่าแต่บางท่านก็อาจจะรู้กว่าหลวงพ่อก็มีพอได้รับการศึกษาทางเข้ามาทางปริยัติธรรมมาหาป ร, ริญญา ย, ยางนี้เป็นต้นแต่แต่บางท่านบางคนก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาพอเกิดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เข้าโรงเรียน แล้วก็รับราชการแล้วก็ไม่ได้สนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาลุงพ่อก็อยากจะแนะนำท่านเ่านี้แหละที่ยังไม่รู้ว่า น, นั้นเรื่องสินห้าลุงพ่อไปนัสถานที่ต่างๆเวลาคณะทายาิโยมอารัธนาสินอย่างเมื่อกี้นี่ น, นะม่อย่างพันเตขึ้นมาประธานสง์ก็จะให้สินเสร็จแล้วก็จับ ตรปดขึ้นมาแล้วก็พูดไม่กับ น, นะโมตัสสะภควะโตก็นำสมาทานศีลแต่หลวงพ่อเองไปนักสถานที่ต่างๆเห็นอย่างนี้อย่างมากเกือบทุกงานแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังการแนะนำเรื่องของศีล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 ขาดทั้งหมดทั้ง5ข้อเพราะว่าเรารักษารวมกันแต่ตามให้จริงถ้าให้หลวงพ่อเลือกเนี่ยหลวงพ่ออินเลือกหลวงพ่อก็จะเลือกนี่แหละเอาศีลปัญจศีลานีรวมกันทั้งห้าข้อเลยจะรักษาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดเพราะรักษาศีลทั้งทีต้องรักษาให้ยืนยาวและบริสุทธิ์เมื่อใ น, นสงสิ์ศีลได้มา สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพก็สัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติจะได้ความสุขจะได้โพคะจะได้พนิพพานก็ได้ให้เต็มเปี่ยมพร้อมกันไปเลยไม่ต้องขยึดขยักนะไม่จ้องทีละห้าสิบตัวต่างทีละสลึงนะเพราะนั้นไมยางพันเตติสรเนศสหาหปัญจคือรวมกันไมยางพันเตวิสูงวิสูงแปลว่าทีละข้อละข้อนะอันนี้คือ ขออาราธนาสิทิจากนั้นพระประธานสงฆ์อย่างหลวงพ่อวันนี้แหละหลวงพ่อจะตัง้งนาโมเลยนะนาโมตัสสะพระเขวัโตะราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือนาโมเราทําไมจึงกล่าวนาโมเพราะว่าสินท่านไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นสยามภูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้บัญญัติสินห้าให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นเมื่อเราได้รับฟังได้ศึกษาแล้วเราพอใจว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเพราะนั้นเราจึงนอบน้อมบรมครูคือต้นสาตตาต้นศาสนาต้นความคิดเราจึงกล่าวนะโมตัสสะภควโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระพุทธมีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธทงังทำมังสั ง, ง, สาางขังสระนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้บัญญัติพระธรรมคำสอน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 เพราะนั้นเราจึงยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ ang, ่งยังว่าพุทธทางธรรมมังสังขังสรนังขจฉามิดูตียามปีพุทธทางธรรมมังสังขังสรนังขจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาตียามปีพุทธทางธรมมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สาม กล่าวถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นกับปานาติปาตาเวรมณีข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเขามาฆ่าเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าให้เอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละ น, น, นี่คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาวเว ร, รมณีอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขา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 การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราคัญชายาวฝิ่นเฮโรอีนถ้าเราดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะขาดสติแอบฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาลาบระลวงสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะนั้น เมื่อคนขาดจิติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการที่จะมีกฎกติกาในโลกมนุษย์ที่อยู่ด้วยการเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต้องเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลห้าข้อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาด้วยว่าการคลองไตรตองด้วยเหตุผลนะว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริง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 เพราะนั้นบนรรพ佛陀หลุดของพวกเราจึงพาดำเนินหรือว่าพาปฏิบัติมาเวลามีสาธารณพิธีเกิดขึ้นท่านจึงให้ไหว้พระและก็สมาทานศีลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อเรารู้คุณค่าของศีนแล้วต่อไปนี้หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศีนต่อไปนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะ สีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระ ม, มารจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอันเฉลีอันทิวหลังอายาจาธาสันติทัสตาปราชกขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังวันนี้ก็ ครูบาอาจารย์คณะจตหาญาติโยมก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าไปก่อนว่าหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรเพราะนั้นจับจุดเลยมันออกมายัางไงก็ฟังอย่างนั้นนะคณะจตหาญาติโยมลูกหลานเนอะวันนี้เห็นคณะจตหาญาติโยมลูกหลานเข้ามาในงานศพของคุณแม่เที่ยงชัยพันธ์ที่เป็นคุณแม่ของ อาจารย์มึกอาจารย์อรไทยอาจารย์จักกะพงษ์ชัยยพันธ์อาจารย์ออรไท ย, าายกกชัยยพันธ์สองพี่น้องแล้วก็เห็นคณะทศไทยญาติโยมที่ญาติเป็นญาติเพราะท่านเกิดอยู่ที่ตระกูลอยู่ที่บ้านตาหลวงพ่อเองก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาตั้งแต่ปีพศ .2512 แต่สมัยนั้นหลวงพ่ออายุก็เพียง24ปี25แต่เดี๋ยวนี้จะเข้าป่าเข้าไป70แล้วนะคณะสัท ธ, ธาญาติโยมมาอยู่ปี2512จนถึง2525หลวงพ่อไม่ได้จำพรรษาที่ไหนอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดออกจากที่นี่แล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดป่านาคำน้อยเพราะนั้นหลวงพ่อเองถ้าจะว่า รู้เรื่องของวัดป่าบ้านตาด ต, ตั้งแต่ริเริ่มก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะว่าวัดป่าบ้านตาดก็สร้างมาตั้งแต่ปี 2498-99 แต่หลวงพ่อมาอยู่2512แปลว่าวัดป่าบ้านตาดสร้างมา10บกว่าปีอยจากนั้นก็ยังมีกระตบให้หลวงพ่อได้เห็นก็คืออาคารที่พักของพระสงฆ์มงยา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 ทั้งหลายส่งจดหมายมาลานชาวลิศถนนโพสีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนร้านส่งเสริมบริการส่งเสริมนี่แหละขายของเขาก็ส่งมาที่นี่แต่นี้ก็นเออาจารย์จัจกพงศ์นี่รับมาส่งหลงตาทุกวัดคือรับจดหมายตั้งแต่นู้นแหละแต่สมัยนั้นรถยังไม่มีนี่แหละ แปลว่าบ้านของอาจารย์มึกอาจารย์อรทไทนะพ่ออจ่าชาญนี่ยนะผู้กองเทียบเนะ่ยเป็นผู้ได้ลดก่อนเพื่อนทั้งหมดที่วัดป่าที่บ้านตาดนะจากนั้นท่านก็ซื้อได้รถกิฟต์รับสิ่งของเข้ามาถวายองหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเห็นตั้งแต่สมัยยุคสมัยนั้นแหละจากนั้นก็เรื่องจะตกประจัยที่ได้มาหลวงตากันนะี่ยนะให้เป็นผู้กองเทียบเนี่แหละเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีอะไรจะไปที่ไหนอย่างไรก็ให้ติดต่อนี่แหละหลวงปู่บุญมีเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ประสานว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ เ, เป็นผู้ค่อยๆว่าเป็นพระแม่บ้านก็คือหลวงปู่พุมีเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราผู้รองลงมา ก, ก็คือหลวงปูล่ลีนี่แหละที่อยู่กับสมัยองค์หลวงตาอพอเรื่องอาหารการบริโภคนี่แหละ สมัยก่อนนะั้นโยมบรรดาขององค์หลวงตาและก็คุณแม่น้อมเป็นแม่ชีเป็นผู้ทาอาหารถวายพระสงฆ์ที่วัดป่าบ้านตาท่านไม่ให้ใครทำนะแต่หลวงตาก็มอบให้โยมบรรดาท่านทำถ้าว่าใครไปยุ่งเยะนะื่อท่านจะดุคนที่ปยะยาไปยุ่งผู้เท่าปล่อยให้ผู้เท่าทำอย่างหลวงตาก็จะขู่ขู่คนอื่นแต่โยมบรดาก็เป็นผู้ทา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 ไม่บนอีกเหมือนกันเพราะเราถือว่าอาหารไม่ใช่ของจำเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นละเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญ เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทางหลาย เ, เมื่อเรามาเราได้ชันอาหารอย่างที่องค์หลวงตาท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารภายในวัดพอต่อมาต่อมาท่านี้แต่ตรรงข้อมาอยู่2อ1 2 สนจนถึง 2,520 กว่าโยมมันดาก็แก่ตามการตามวัยของท่านจากนั้นเมื่ออายุของท่านแก่ท่านทำอาหารไม่ค่อยได้แล้วลงตาทั้งกอ น, นี่แหละได้เรียกแม่เที่ยงนี่แหละจ่าชาญเข้ามาบอกว่าเออโยมมันดาทำอาหารไม่ไหวแล้วนอะสูเจ้ารับภาระไปนะที่นี่นะลงตาก็สั่งจากนั้นคุณแม่เที่ยงก็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 โยมบรรดาเป็นผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน น, ะนี่แหละต่อมาก็เปลี่ยนอาหารท่นี่โยมทางกรุงเทพมาเห็นเอะอามาถามหลวงพี่เว่าหลวงพี่อินเนี่อาหารทําไมแปลกๆมาคราวก่อนไม่เป็นอย่างนี้แมกมาคราวนี้เห็นอาหารแปลกๆโอ้อาหารคราวนี้หลวงตาให้ศรัทธาญาติโยมทางชาวบ้านเขาไปทํา อาหารลูกหลานทําคราวนี้เขาก็เลยอาหารเป็นอาหารในเมืองในเมืองไม่อาหารเหมือนไม่เหมือนคุณย่าไอ้คุณโยมบรรดาทำแหละพระโยมบรดาท่านท่านคิดได้ยังไงท่านก็ทํเาเราก็ไม่ว่ากันแต่คราวนี้เป็นอาหารมาจากชาวบ้านนะนะเขาชาวบ้านเขาเอาไปทำแนละ้วโอ้แต่ก่อนคืออาหารมันแปลกจากนั้นโยมแม่เที่ยนนี่ก็หาสมัครพักพวกลูกหลานในวงสาคัาญาติของ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 ไปยังไงมาไงสบายดีเลยเพลงอย่างนี้แหละคุณแม่เที่ยงก็จะเอาพวกน้ําส้มน้ําวานอะไรใส่รถพวกเนยพวกไรใส่รถถวายพระสงฆ์อันนี้คือเป็นประเพณีสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้มีความอบอ้อมอารีเป็นผู้มีศรัทธาจริงจังในพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำอะไรไม่ได้ทําเพื่ออยากได้หน้าได้ตาอีกต่างหากทําด้วยความ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 องค์หลงตาเนี่ยคือใครพวกเราก็รู้เต็มใจแล้วอ่ะคือพระรหัน์กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นประธาตุให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆล่ะครูบาอาจารย์องค์อื่นๆล่ะท่านเข้ามาดิจอยู่ที่นี่เพื่อเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อศึกษาศึกษาธรรมะจากนั้นก็ท่านก็นําธรรมะทำคําสอนขององค์หลงตาของเราไปประพฤติปฏิบัติ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละมีแต่โมพานเจ้าอาวาสเกือบครั้งนั้นที่เข้ามาจู่วัดวาศาสนาหรือ ม, มาในงานจงานศพของคุณแม่เที่ยงของพวกเราเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนถึงจะทำคุณงามความดีอันนั้นก็คือคุณงามความดีมันแยกกันถึงจะดีขนาดไหนก็เถอะแต่ ร่างกายสังขารนี่มันไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีไปพน้นอย่างพระพุทธเจ้าพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้สยามภูรู้แจงโลกจากขนาดนั้นสรีระร่างกายของพระพุธองค์ก็ได้แตกสลายลงสู่ดินน้ำไฟลมเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในองค์ปัจจุบันก็ได้ชิ่นพระสนเมื่อวานนี่ วันที่24ตุลาห้าหเวลาสิบเ้าสสบนอนี่แหละอันนี้ก็เหมือน เ, ออเหมือนกันและอง์หลวงตาของพวกเราละ่ะและคุณแม่เที่ยงละ่ะแล้วพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ละ่ะจะไม่มีใครที่จะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนต้องมีชีวิตต้องมีจุดจบเพราะนั้นก่อนที่จะมีจุดจบนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านหนบอกว่าจะตั้งอยู่ในความประมาท ให้สั่งสมคุณงามความดีให้ประกอบคุณงามความดีถ้าว่าผู้ใดประกอบคุณงามความดีเต็มเปี่ยมแล้วเป็นพระหรหันต์แล้วถึงจะตายยังไงก็ตายตายเวลาไหนก็ตายตายเวลาไหนก็ไม่เป็นไรถ้าว่าได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วแต่ถ้าว่ายังไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอันนั้นน่าคิดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองว่าข้าพเจ้าพร้อมระอย่าง บุญกุศลเต็มเปี่ยมในจิตใจของพวกเราหรือยังคุณงามความดีของเราพร้อมหรือยังถ้าเรายังไม่พร้อมก็ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมาฉันที่บ้านนายช่างทองในกรุงสาวัตถีลูกช่างทองไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสอย่างสุดซึ้งแต่พ่อของตนเองอยู่ในบ้านไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจายธรรมะ แต่ลูกชายเห็นว่าถ้าหากว่านิมนต์จะเชิญพ่อหรือบอกให้พ่อไปก็คงไม่ได้พ่อคงไม่ไปแน่ๆเอาเถอะติดนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านพ่อไม่มากว่าชักจะเกินไปจะแล้วเนี่ยลูกชายวางแผนจากนั้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงค์มาฉันพัตทหารที่บ้านพอพระพุทธองค์มาฉันที่บ้านพรามผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ไปก็ไม่ได้จนพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านแล้ว พราม์ก็เข้าไปไปก็ไปฟังไปถวายพระตหารพร้อมกับลูกๆเมื่อเมื่อพระพุทธองค์ฉันพระตหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่าพราหมณ์พราหมณ์จะได้เดินทางไกลนะพรามณ์นี่จะได้เดินทางไกลนะได้เตรียมสเปียงเดินทางไว้ได้อย่างเครื่องสเปียงเดินทางที่เตรียมพร้อมไว้้อย่างและจะไปพักที่ไหนและจะไปค้างที่ไหนได้คิดไว้ได้อย่าง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 ตายแล้วเกิดอีกในการที่เกิดอีกและตายแล้วไม่สู่นั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ใช่ว่าท่านพูดเอาขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลพระพระองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั้นน่ะพระพุทธองค์นั่งขสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับฝืงซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์ละลึกชาติผลหลังได้ยวบปุเพทด้วาสานุสติญาตเคอยานเบื้องต้นปุเพในวาสานุจติญาตละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจูป ะ, ป, ะปาตญาตการจุติของสรพพสัตวคือมองพระองค์และวก็มองสรพพสัตว์มองเห็นว่าคนเราเกิดมามาจากไหนออกจากที่ใดจะไปไหน ท่านมองดูแต่ละวิญญาณแต่ละคนจากนั้นพอจวนสว่างพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว่าอาสาวกญาญญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดกิเลสโลภโกรธหลงออกจากพระไทยแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วนี่แหละในวันเดือนหกเพ็นครัพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณมีญาณสามอย่าง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 สายหลวงตาของเราองค์หลวงตาของเราท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะร่างกายนี่มีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้านะในร่างกายของคนเรามีสองมีสองอยู่ในตัวของเรารูปประธรรมและนามมะธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามะธรรมนันคือจิตใจนามมะธรรมรูปประธรรม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 แต่พระธรรมคำสอนของพระเทเจ้าอ่ะให้ความจำปันเรื่องนามธรรมามากกว่าเพราะนั้นในถักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามาโนปุพังขามาธรร ม, มามาโนเสรษฐามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแต่ทางโลกของเขาเนี่เขาบ ว, ว่ากายร่างกายเป็นใหญ่มองเห็นแต่ร่างกายแต่ใจนามธรรมานั้นมองไม่เห็น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 แต่หลวงปู่มันม่นบอกว่าให้ภาวนากำหนดพุทธโธสำทับเข้าอีกนะถ้าถ้าเอาแต่กำหนดลมหายใจมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงหลืมได้ง่ายให้กำหนดพุทธโธเข้าด้วยนะแต่ในหลวงตาของเราก็ได้เอาพุทธโธสำทับกับลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาเดิน เ, เวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธ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 ในองค์หลวงตาท่านบอกนะนั่งทั้งคืนได้เหมขอนั่งทั้งคืนได้ไปกราบหลวงปู่มั่นเท่าว่าเป็นไงมหาโอ้จิตใจสงบแน่นปึ๋งเลยครับผมนั่งได้ทั้งคืนท่านบอกอถ้ามันสงบแล้วก็พิจารณานะนํามาพิจารณานะออกทางวิปัสสนาค้นคว้านะให้พิจารณาในนี่แหละธาตุสีดินน้าลมไฟหรือว่าพิจารณากระดูกหรือพิจารณา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 เหมือนกับปูฟวาบเมดถึงฐานเข้ามาลมันนิ่งนิ่งสติเป็นนันใดจิตเป็นนันนั้นจิตเป็นอะไรอันี่จิตเป็นอะไรสติเป็นนันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นคืออัปปนาสมาธิเมื่อเป็นจิตเมื่อเป็นอัปปนาสมาธินันรู้ได้ด้วยตนเองว่าอันไหนเกิดอันไหนตายกายกับใจเห็นได้ชัดไม่ต้องถามใคร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 มาหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราจะอยู่ด้านชั่วฟ้าดินฉลายใช่ไม้ใจแต่ในเอาใจที่มันสงบน่ที่ใจเป็นหนึ่งแล้วน่ะมาพิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นกายได้ชัดมันหลงอะไรหลงกายใจมันหลงกายไม่ใช่หลงอย่างอื่นนั้นหลงกายในเมื่อหลงกายแล้วทีนี้มันก็หลงอย่างอื่นหลงเงินคำทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรดาศักดิ์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 ทุกท่านสรุปแล้วก็คือธรรมะทางหลายสู่เข้าสู่จิตใจเรีว่าเบื้องต้นว่ามโนปุพังขามาธรรมามะโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่เที่ยงของพวกเรานี่ก็เหมือนกันนี่แหละหเดี๋ยวนี้ดวงวิญญาณของท่านออกจากร่างแล้ว มีแต่ร่างของท่านที่ยังอยู่อีกสักวันหนึ่งอีกสักไม่ ก, ไมกี่นาะทีชั่วโมงต่อไปภายภาคหน้าพวกเราก็คงจะไปชุมเพลิงเผาฝ่ายทิ้งร่างกายแต่นามธรรมของท่านออกจากร่างในเมื่อออกจากร่างแล้วนั่นะบุญกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้การสั่งสมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละจะพานาจิตใจของท่านไปสู่ เมื่รโลกภายภาคหน้าถ้าว่าบุญกุศลมีแล้วคนนั้นแหะไปสวรรค์ชั้นพรมไปเป็นเทวดาบุตรเท ว, วดาอินพรมไปได้ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลกันนะตกนรกหมกไฟไปตามบาปอากุศลที่ตนได้ตนเองได้กระทําเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตว์ทยญาติโยมทุกทุกท่านนะาการสั่งสมบุญทั้งหลายบุญให้พวกเรายัางหักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสว่า กายกับใจใจกับกายร่างกายตายแน่นอนแต่นมามธรรมคือส่วนจิตใจนั้นจะไปสู่ความสุขความเจริญไม่ตายอย่างที่องค์ลงตาว่าะกายมีป่าช้าแต่ใจไม่มีป่าช้าเพราะนั้นขอให้พวกเรานำสร้างบุญสร้างกุศลกาสู่จิตใจเมื่อบุญกุศล้าสู่จิตใจและมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขกายก็ไม่เป็นไรหรอก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 เพลิงในวันนี้ก็เหมือนกันขอขอให้มีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจปราถนาสิ่งใดก็ อ, อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านเทินสาธุ